หกสัพปัญญวักหมวดว่าด้วยผู้มีปัญญาหนึ่งสคาถกะสูตรว่าด้วยตรัสองคุณของพระโสดาบันที่มีคาถาหนึ่งพันสี่สิบเจ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นโสดาบัน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 อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้ใดมีศรัทธา